สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาสื่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสเพมนุษศาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้ตายเป็นกาลมารณะสิ้นหรือว่าตายเป็นอักกาลมารณะบ้างพระนาคเสนเถระจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภาร มนุษย์ทั้งหลายตายเป็นกาลมารณะก็มีที่ตายเป็นอากาลมารณะก็มีสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาที่ตายเป็นกาลมรณะนั้นอย่างไรที่ตายเป็นอากาลมารณะนั้นอย่างไ ร, าา ร, งไรพระนาคเษนจริงวิสัญชาแก้ไขว่า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 แปดปีตายเกปีตายส0บปีตายสิอดปีตายส2องปีตายก็ดีกาเลเย ว, วะมรันติก็ได้ชี้ว่าตายในการควรจะตายตามอย่างทารกทั้งหลายอันตายมาแม้ถึงสัตว์ที่ได้ร้อยปีตายก็ชี่ว่าตายเป็นกาละมรณะตกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายนั้นเป็นกาละมรณะหมดสิน้น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 ที่ได้เห็นกับตาก็ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐตกว่ามเมล็ดข้าวหล่นไปด้วยฝนกรรกะพัดนั้นจะเรียกว่าชิบหายเป็นกาละหรือว่าหามิได้นะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่า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 ก็เรียกว่าเป็นอากาละพินาชนั่นแหละสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมนุษย์ทั้งหลายเกิดมายังมิทันชาราถึงอายุไขเกนาจิโรเคนะโรคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีวาตะสมุดฐานโรคเป็นอาทิถึงตัวมนุษย์พวกนั้นใหถึงแกมรณะภาพความตายดังนี้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 ได้ทรงสาวนาการดังนี้มีพระไทยโสมนัสจึงตรัสว่าอัจฉริยังพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าวิสัชนาปัญหานี้เป็นอัศจรันต์อภูตังพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเรินปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอัดแห่งปัญหานี้